วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2569เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมมีเวลาว่างจากการงานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมาตาม พลังให้แก่จิตใจจิตใจนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จำเป็นจะต้องคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้ารถยนต์ขาดน้ำมันเมื่อไหร่รถยนต์ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ต่อไปฉันใดใจของพวกเราทุกคนนี้กำลังเป็นผู้เดินทางอยู่ กาลังเดินทางกลับบ้านของพวกเราบ้านที่มีความพร้อมด้วยความสุขปราศจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นก็คือพระนิพพานเป็นบ้านที่พวกเราต้องการที่จะไปกันการที่เราจะไปถึงบ้านที่เป็นพระนิพพานนี้ได้ใจจําเป็นจะต้องมีน้ํามันคอยเติมอยู่ได้เรื่อย เพื่อให้มีกำลังมีพลังในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ถ้าขาดน้ำมันขาดพลังของใจใจก็จะไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ จึงเป็นความจึงมีความจำเป็นที่จะต้องคอยจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆของใจเพื่อเติมน้ำมันของใจเพื่อให้ใจมีพลังที่จะขับเคลื่อนเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอันเลิศอันประเสริฐนี้ได้การเข้าวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการแวะ จอดตามสถานีบริการต่างๆของรถยนต์รถยนต์เวลาวิ่งเดินทางไกลก็ต้องคอยแวะจอดคอยเติมน้ำมันเพราะว่าน้ำมันที่เติมเอาไว้หลังจากที่ได้เดินทางไประยะหนึ่งแล้วน้ำมันก็จะค่อยหมดลงไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้รถยนต์นี้วิ่งไปได้ตลอดยอดฝั่งก็จำเป็นที่จะต้องจอดแวะสถานีบริการต่างๆ เพื่อคอยเติมน้ำมันเพื่อที่จะได้มีน้ำมันไว้ขับเคลื่อนรถยนต์ให้เดินทางไปอย่างสวัสดิภาพใจของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นใจของพวกเราที่เป็นชาวพุทธที่มีความปรารถนาวิมุตติคือการหนุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จำเป็นที่จะต้องมีน้ํามันของใจไว้คอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเวลาใดที่ขาดน้ํามันของใจแล้วใจจะไม่มีกําลังจะไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่คอยขัดขวางการเดินทางของใจให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ใจจึงจําเป็นที่จะต้องแวะจอดตามสถานทิ่บริการของใจ สถานีบริการของใจก็คือวัดต่างๆนี่เองพัดที่เราไปกันแต่ละครั้งนี้เราไปเพื่อเติมพลังให้แก่ใจ<ม>เรามักจะเรียกว่าไปทำบุญกันบุญนี่แหละคือพลังของใจที่จะทำให้ใจนี้มีกำลังที่จะขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายปลายทางของใจได้ ในที่นี้ที่เราต้องการจะเติมนี้มีอยู่ห้าหาหาชนิดด้วยกันหรือห้าข้อด้วยกันที่เป็นองค์ประกอบของน้ำมันของใจถ้า จ, จะเติมให้ถ้าต้องการให้ใจมีน้ำมีพลังมีกำลังที่จะขับเคลื่อนใจไปสู่ที่ดีที่สุขที่จเจริญยิ่งขึ้นไปตามลำดับ จำเป็นที่จะต้องเติมน้ำมันชนิดนี้ที่มีองค์ประกอบอยู่หข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ข้อที่สองเรียกว่าวิริยะความอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สาม คือสติการระลึกรู้เป็นจำที่เป็นธรรมที่จะนำพาจิตใจให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างอย่างสวัสดีภาพสมาธิคือความสงบตั้งมั่นของใจที่จะเป็นเหมือนสเบียงเป็นอาหารของใจที่จะให้ความสุขกับใจในระหว่างการเดินทางที่ยากเย็น ได้ลําบากให้ไม่ยากเย็นไม่ให้ลําบากให้ไปได้อย่างสบายนะข้อที่ห้าก็คือปัญญาความรู้วิธีของการดับความทุกข์ต่างๆความรู้ความจริงเกี่ยวกับสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกัรหาความอยากเป็นต้น ปัญญานี่ก็ปิดเป็นเหมือนแผนที่เหมือนเครื่อง GPS ในรถยนต์ที่จะคอยบอกทางที่จะต้องไปว่าจะต้องไปทางไหนบ้างต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปเวลามาเจอทางสี่แยกต่างๆเป็นตน้นนี่คือน้ำมันของใจหรือพลังของใจที่มีองค์ประกอบอยู่ห้าองค์ด้วยกัน ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติการละลิกรู้สมาธิการตั้งมั่นอยู่ในความสงบปัญญาความฉลาดรู้วิธีรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุของการของความทุกข์ว่าเกิดจากการหาความอยากหรือว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าไปหาสิ่งต่างๆมาดับความทุกข์ในใจก็เท่ากับเอาน้ํามันมัน มาเทเข้าไปในกองไฟนั่นเองเทน้ํามันเข้าไปในกองไฟตอนต้นน้ำมันก็อาจจะทําให้ไฟนี้สยบลงตัเพราะตอนนั้นน้ํามันยังไม่ร้อนแต่พอสักคู่หนึ่งพอน้ํามันเริ่มร้อนจากไฟมันก็จะเริ่มลุกขึ้นมาใหม่แรงยิ่งกว่าเก่าอีกอันนี่คือคุณธรรมทั้งห้าประการที่จะทําให้ใจมีพลังมีความสามารถที่จะ พัญาอุปสรรคของกิเล ต, ตันหาโมหะอาวิชชาที่คอยกีดกั้นการเดินทางนี้ให้สามารถไปได้อย่างอย่างง่ายดาย ส, สะดวกรวดเร็วภายในเวลาที่มีอยู่ของชีวิตสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยท้าคอยเติมน้ํามันเหล่านี้ให้กับใจอยู่เรื่อยๆ ข้อที่หนึ่งน้ามันที่เราจะต้องคอยเติมอยู่เรื่ององประกอบของน้ามันพลังของใจก็คือศรัทธาความเชื่อเราต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างไร ใ, ในการเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นผู้ตรัสรู้วิธีของการดับความทุกข์ ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้วิธีดับความทุกข์ของใจได้ด้วยตนเองจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสูลก่อนแล้วอาศาัยฟังคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งแล้วนามาปล่อยปฏิบัติถึงจะสามารถที่จะดับความทุกข์ของใจได้ถ้ามาเกิดในยุคใดสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะไม่มีมันที่จะรู้ได้ว่าความทุกข์ของใจนี้จะดับได้อย่างไรบ้าง mm. พรกเราถือว่าโชคดีที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าตัดสูตรวิธีของการดับทุกข์แล้วได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้จากตัวพระพุทธเจ้าโดยตรงก็าตามแต่ก็ได้ยินได้ฟังจากพระไตรปิฎกหนังสือธรรมะ ที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็มีพระอริยสงสาวุกผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้ตัดจนได้บรรลุหลุดพร้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า น, นี่คือสิ่งที่เราต้องมีความศรัทธาเชื่อในวัดเชื่อในการตัดสิน ข, ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องจริง เชื่อในคํในธรรมคำสั่งคําสอนที่พระเจ้าทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนว่าเป็นคําสอนที่เราจะสามารถปฏิบัติตามเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนและเชื่อว่ามีผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วผู้ที่ได้ศึกษาได้นำเอาคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือสุปฏิปัญโนแล้วแล้วได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วพระพุทพธธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเครื่องยืนยันให้เรามีความมั่นใจว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอ ถ้ามีผู้ที่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปปฏิบัติจนสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ mm hmm. น, นี่คือความเชื่อที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้มีอยู่ในใจเราไม่ให้เรามีความสั่นคลอนไม่ให้เรามีความรังเล ส, สงสัยวิธีที่จะทำให้ศรัทธาของเรามีมีความมั่นคง ก็อยู่ที่การที่เราต้องคอยศึกษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยต้องศึกษาจากพระพุทธของพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาคาสอนที่มีในพระไตรปิฎกที่มีผู้ที่รู้เห็นได้คัด้คดเลือกเอาพระธรรมคำสอนที่สำคัญสำคัญต่างๆมาเผยแร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติ เมื่อเราได้ศึกษามากขึ้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าก็จะมีมากขึ้น<ม>เพราะเราจะรู้มากขึ้นรู้เรื่องของพระพุทธเจ้ารู้ประวัติของพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างไรถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามแล้วก็รู้ถึงคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เวลาทรงนามาไปสั่งสอนให้กับคนนั้นคนนี้พอบุคคลนั้นบุคคลนี้ได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาเกิดความ ความวิรยิยะความอุตสาหะที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ ท, ทันทีแล้วก็ได้บรรลุธรรมตามลําดับต่อไปด้วยต้อศึกษาฟังเทศฟังธรรมศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมคาสั่งคําสอนอย่างพสูตรสําคัญต่างๆเช่นพระธรรมจักกับพระวัฒนสูตรพระมงคลสูตรพระสะติปัฏฐานสูตรเป็นต้นนี่เป็น เป็นพระธรรมคําสอนที่จะสอนวิธีดับความทุกข์ให้กับใจได้อย่างอย่างแน่นอนแล้วก็ศึกษาประวัติของพระอริยสงสารุก อ, องสําคัญสําคัญเพื่อที่จะทําให้เรามีความเชื่อ ม, มั่นว่าว่าท่านเหล่านี้เมื่อก่อนที่ฉันจะเป็นพระอริยสงสาวุกท่านก็เป็นคนมืดบอดเหมือนกับพวกเราอยู่ในขณะ น, นี้แต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของ พ, อพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดวิริยะความอุตสาหะที่จ ะ, ะนำคำสอนไปปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อได้นำมาไปปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็จะได้บรรลุผลต่างๆขึ้นมาตามลาดับเมือม่อเมื่อเรามีศรัทธาแล้วความความขยันหมั่นเพียรวิริยะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาเราจะไม่ลังเลสงสยัย เราจะมีความยินดีมีฉันทะวิริยะปรากฏขึ้นมาในใจว่าโอ้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงแต่ทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเราก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็จะมาปฏิบัติมาเจริญทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่สำคัญให้เราเจริญกันทำที่สาคัญมากที่สุดก็คือสติ เราต้องมีสติเพราะสตินี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนจิตใจให้ก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าไม่มีสติแล้วใจจะโลเลใจจะไม่มีความแน่วแน่มั่นคงใจจะไม่หนักนน่นใจจะถูกอารมณ์ต่างๆมาคอยล้มความตั้งใจที่ดีได้เราต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้ใจตั้งมั่นให้ใจไม่วกแวก ไม่ ใ, ใจวุ่นวายขับสนการไม่มีสตินี้จะปล่อยให้ใจคิดเวลาคิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะถูกกำนาจของกิเลสปัญหาพาไปคิดคิดแล้วก็จะวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆขับสนกับเรื่องราวต่างๆว่าอะไรถูกอะไรผิดจะลืมคําสอนที่ได้ศึกษามาและเวลาได้ศึกษาคําสอนแล้วเราต้องพยายามรักษาคําสอนนั้นไว้ ด้วยการไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงความเรื่องของที่กิเลสจะพ า, าให้ไปคิดกับเรื่องของลาบยศสรรเสริญเรื่องของความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแต่อย่างใดแต่ถ้าไม่มีสติพังเผลอเมื่มอไหร่กิเลสตัณหาก็จะชักยุงให้ใจไปคิดหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็จะทําทให้ขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติไปเพราะเมื่อไม่มีสติใจก็จะไม่มั่นคงใจก็จะไม่มีความสงบไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสงบไม่มีความสุขก็จะต้องดิ้นไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียง ก, กิ่นรสต่างๆเมื่อไปหาเรื่องราบยศสรรเสริญสุขก็จะต้องไปเจอกับความทุกข์ของราบยศสรรเสริญสุขทันที ดังนั้นต้องมีสติคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิดให้จิตไม่นึกไม่ไม่คิดเรื่องราวต่างๆให้สังแต่ว่ารู้ให้รู้อยู่ในปัจจุบัน <S S S S mm hmm. แล้วเพื่อที่จะได้นาเอาสตินี้มาทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิต่อไป <S S mm hmm. เพราะสมาธินี้เป็นเป็นธรรมที่สำคัญรองจากสติ mm hmm. เป็นธรรมที่สร้างความสุขให้กับใจในเบื้องต้นก่อน เป็นความสุขแบบชั่วคราวแต่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากาะลาภยศสารเสริญสุขถ้าเรามีสติเจริญสติอยู่เรื่อยๆเราจะมีกําลังที่จะนั่งสมาธิได้เรามีกําลังที่จะทําให้ใจนิ่งสงบให้เกิดความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้นัติสันติพลังสุขขัง<ม>สุขเอื้อนยิ่งกว่าความสงบไม่มี สุกนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติคอยกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจนั่งอยู่เฉยแล้วก็มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นทำบริกรรมพุทโธก็ได้จะเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้จะเป็นการสวดมนต์ไปภายในใจผางๆก่อนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพของจิตใจตอนนั้นว่าพร้อมที่จะใช้กรรมฐานแบบไห น, น ก็ใช้กรรมฐานแบบนั้นไปถ้าคิดมากก็ต้องใช้การสวนมนช่วยระับความคิดไว้ก่อนถ้าไม่คิดก็สามารถดูลมได้ก็ดูลมไปสามารถบริกรรมพุทโธได้พก็บริกรรมพุทโธไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องมารวมกันก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าชอบดูทั้งสองอย่างเอาทั้งสองอย่างมารวมกันก็ได้ก็สําคัญเวลาทํานั่งสมาธิใจจะต้อง อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆที่อาจจะแทรกเข้ามาในขณะนั้นให้อยู่กับกรรมฐานไปอยู่กับพุทธโธไปแล้วอยู่กับลมไปแล้วไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใคยพบมาในชีวิตความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง mm. พอได้สมาธิแล้วทีนี้ใจก็ยังมีกําลังที่จะที่จะไปต่อสู้กับ อำนาจของกิเลสพลังของกิเลสพลังของกิเลสนี่จะพยายามฉุดกใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดให้ไปหาความทุกข์อยู่เรื่อยๆให้ไปหาสิ่งที่เป็นความทุกข์ก็คือให้หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆแต่พอมีมีสมาธิเนี่ยใจก็จะไม่หิวไม่โหยกับความสุขเหล่านี้แล้วพอมีปัญมพ อ, พอจเจริญปัญญา ัญญาก็จะสอนให้ใจให้เห็นว่าความสุขของโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสารเสริญรูปเสียงกิริยนี้เป็นความสุขกรองเป็นความสุขที่เป็นเหมือนยาพิษตอนต้นดื่มเข้าไปก็หวานดีแล้วพอยาพิษเริ่มออกฤทธิ์เมื่อไรความหวานก็กลายเป็นความทุกข์เป็นความขมขื่นขึ้นมาทันทีเพราะความสุขของลาบยศสารเสริญสุขนี้มันเป็นของชั่วคราว เวลาได้เสพมนันใหม่ๆก็มีความสุขดีพอมันจางหายไปก็รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าส้อยอหงอยเหงาขึ้นมาทันทีก็จะเป็นจะต้องคอยหามาเสพอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่มีปัญญาหรือไม่สามารถหามาเสพได้เวลานั้นก็จะต้องเจอกับความเศร้าโศกเยวกับความซึมเศร้ารตามมากลายเป็นคนมีโรคซึมเศร้าได้คนที่มีโรคซึมเศร้เราเขาอยากจะเสพกิ่งต่างๆ แต่ไม่มีความสามารถที่จะเสดได้ก็เลยเกิดความเศร้าเกิดความซึมขึ้นมาซึมเศร้าขึ้นมาในใจแต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบนี้เท่านั้นอยู่ที่ใจปราศจากความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากก็ให้พยายามหยุดความอยากนั้นให้ให้ได้เพราะความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความหิวโหยให้กับใจอยากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่อีกไม่พอแล้วเวลาไม่ได้ก็จะเกิดความความเศร้าโศกเสียใจความว้าเวยขึ้นมาอันนี้คือหน้าที่ของปัญญาที่จะมาทำให้ใจนี้สามารถกำจัดเหตุที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสปัญหาโมหะอาวิชานี่เอง กิเลส ก, ก็คือความโลภความอยากอันหาก็คือความอยากโมหะก็คือความหนงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นว่าราบยศสารเสริญสุขนี้เป็นสุขที่แท้แล้วมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังมันของไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็อยากไปเสดมันอยากไปยุ่งกับมันเวลาอยากก็ตัดความอยากเสียอด้วยปัญญา พอหยุดความอยากได้ใจก็จะนิ่งสงบมีความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปเสพอะไรความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจสลัดความอยากออกไปจากใจให้ได้เท่านั้นเองพอความอยากที่คอยสร้างความทุโลนทุลายสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจนี้ถูกกำนาจของปัญญากับสมาธิกับสติสลัดออกไปจากใจได้แล้วใจก็จะนิ่งสงบเหมือนตอนเข้าสมาธิเลย โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เราเหตุที่ทำให้ต้องเข้าสมาธิในเบื้องต้นก็เพราะว่าใจยังไม่มีปัญญายังไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เลยต้องอาศัยกาลังของสติหยุดความคิดไว้ก่อนพอหยุดความคิดความอยากก็จะไม่สามารถทำงานได้เพราะความอยากต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือต้องคิดถึงสิ่งนั้นต้องคิดถึงราบยศสารสนโสกก่อนถึงจะเกิดความอยาก ที่จะไปหารากยุสารสนสุกมาเวลาอยู่ในสมาธินี้จิตจะไม่คิดอะไรจิตจะนิ่งสงบการหาความอยากก็เลยทํางานไม่ได้แต่ไม่ได้ตายเพียงแต่ถูกเพียงแต่ไม่สามารถออกมาเคลื่อนไหวได้เพราะเครื่องมือคือความคิดปรุงแต่งนั้นหยุดทํางานชั่วคราวนั่นเองแต่พอออกจากสมาธิมาพอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งกิเลตตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นชุดๆด แล้วก็จะมาสร้างความหงุดหงิดสร้างความลำคานใจสร้างความว้าวุ่นขุ่นวัวสร้างความพุ้งสร้างขึ้นมาให้กับจิตจใจถ้าอยากจะกําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจเหล่านี้ให้หมดไปจากใจอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ตัณหาความอยากที่ต้องการนึกคิดว่าเป็นความสุขนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราว ให้ความสุขได้เพียงช่วงเดียวเดีย ว, ยวแล้วก็จางหายไปต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆแต่ความสามารถที่จะคอยเติมอยู่ได้ตลอดเวลานี่มันไม่ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงเ <c oughs> ครื่องมือที่ใช้ในการไปหาความสุขต่างๆก็ไม่แน่นอนก็คือเงินทองเป็นต้น <c oughs> พอขาดเงินขาดทองก็ไปเที่ยวหาความสุขไม่ได้พอเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่สามารถไปได้ ก็จะอยู่กับความเศร้าอยู่กับความทุกข์อยู่กับความเหงาอยู่กับความ ว, าว้าเวินี่คือปัญญาสอนใจอย่าไปทําตามความอยากให้สลัดมันออกไปด้วยอํานาจของสติของสมาธิถ้ามีสติมีสมาธิเราสามารถสลัดหรือหยุดความอยากต่างๆเหล่ า, า น, นี้ได้พอหยุดได้ปับ๊บใจที่ว้าวุ่นขุนมัวที่เกิดจากความอยากก็จะสงบลงทันทีแล้วก็จะนิ่งเจ้า จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือวิธีการที่จะทําให้ใจสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรต้องมีพลังที่จะคอยสอนใจให้พยายามใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี้เป็นเครื่องมือในการกําจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความม่นหมายใจต่างๆให้กับใจก็คือคกิเลสตัณหา โมหะอวิชชาโมหะก็คือความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็นลาบยศรรเสริญสุขว่าเป็นสุขที่แท้จริงแล้วมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาอนิจังทุกขังอนัตตาอวิชชาก็คือไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของตนพอมีปัญญาก็จะรู้ว่าที่ใจทุกข์ทุกข์เพราะความอยากที่ใจหลงเพราะใจไม่เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นว่าเป็นนิจังสุขังอนัตตาแทน เห็นกงจากเป็นดอกบัวนั่นเองก็เลยไปเล่นกับกงจากก็เลยถูกกงจากตัดแขนตัดขาสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้ามีปัญญาแล้วปัญญาก็จะสอนว่าอย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้หยุดความอยากเหล่านี้ถ้าจิตมีสมาธิมีสติก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดได้ความอยากที่เคยโผล่มาในใจมันก็จะหายไปแล้วจะหายไปอย่างถาวร จะไม่กลับมาอีกต่อไปเมื่อใจกำจัดความอยากต่างๆได้หมดสิ้นไปแล้วใจก็จะมีแต่ความสงบตลอดเวลาสงบแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอยู่ข้างนอกสมาธิแต่ไม่มีความอยากนี้ก็เหมือนอยู่เข้าไปในสมาธิดีกว่าที่การเข้าสมาธิเพราะว่ามันเป็นความสงบอย่างถาวรแต่ถ้าเข้าไปในสมาธิมันเป็นความสงบแบบชั่วคราว ฉนันถ้ามีความสามารถมีมีสติมีสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญากําจัดตัวที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจสร้างความทุกข์ให้กับใจคือตัณหาความอยากต่างๆด้วยการพิจารณาตายลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้แล้วพอได้พิจารณาได้หยุดความอยากแล้วความอยากก็จะหายไปจากใจอย่างถ้าวอนจะไม่มาสร้างความวุ่นวายใจสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้ใกายใจอีกต่อไป ใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทําอะไรใจได้หายจากโลกแล้วโลกของใจก็คือโลกของความทุกข์ใจนี่ถ้าสิ่งที่จะมารักษาใจรักษาโลกของใจได้ก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีองค์ประกอบอยู่5องค์ด้วยกันนี่เองก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิริยะความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนที่จะมันจเจริญสติ ให้จิตมีสติและเลิกเลือยู่ไม่ให้คิดปรงแต่งไม่ให้ไปคิดไปทางกิเลสตัณหาให้เข้าไปสู่ความสงบให้มีสมาธิให้มีความสุขจากการนิ่งสงบแบบชั่วคราวแล้วใช้ความความนิ่งความสงบแบบชั่วคราวนี้มาช่วยกันตัดกิเลสตัณหาด้วยกา ร, ด, การด้วยการใช้ใช้เหตุใช้ผลของปัญญาเมื่อปัญญาเห็นเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ ความอยากที่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะหายไปหมดนี่คือการสร้างการเติมพลังให้แกบใจถ้าอยากจะให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์อยากให้ใจนี้อยู่กับความสุขแบบยั่งยืนแบบถาวรแบบไม่มีสิ้นสุดคือความสุขของพระนิพพานใจจำเป็นจะต้องมีน้ำมันของใจไว้เติมอยู่เรื่อยคือต้องมีต้องมีศรัทธา มีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญานี่นี่คือหน้าที่ของผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์เจ้าก็ต้องกระทําอยู่เรื่อยๆก็คือหมันเติมน้ํามันของใจอยู่เรื่อยๆด้วยการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็นํำอาไปปฏิบัติปฏิบัติตามคําสอนปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้เกิดสมาธิและเพื่อให้เกิดปัญญานี้เท่านั้นก็พอไม่ต้องกังวลกับธรรมอย่างอืงอง่น ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างกัวงวลอยู่แค่ทำสามข้อนี้เท่านั้นก็คือสติสมาธิและปัญญา<ม>ถ้ามีสติมีสมาธิปัญญาแล้วรับประกันได้ว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในใจทั้งหมดนี้จะหายไปหมดอย่างแน่นอน<ม>นี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือเรื่องของการเติมน้ํามันให้กับใจเติมน้ํามันคือ เติมศรัทธาเติมวิริยะเติมสติเติมสมาธิและเติมปัญญาเพื่อให้ใจมีกำลังที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอันเลื่อนอันประเสริฐก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแน่นอนนี้เองการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวล า, าก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้และในลําดับต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติทำกันมาเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิ จอดความสงบกอดความสุขสติกับสมาธินี้เป็นธรรมสองนันไม่ไม่ใช่ธรรมอันเดียวกันสติก็คือเหตุสมาธิก็คือผลต้องมีหเหตุถึงจะได้สมาธิสมาธิคือความนิ่งสงบของใจตอนนี้ใจเราไม่นิ่งใจเราไม่สงบกันใจเราคิดอยู่ตลอดเวลาคิดมาตั้งแต่ตื่นจนหลับคิดมาตั้งแต่วันเกิดเลยก็ได้ ไม่เคยมีวันไหนที่ใจของเรานี้จะนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาเลยเพราะเราไม่มีไม่มีเหตุที่จะทำให้ใจมันนิ่งเหตุที่จะทำให้มันใจมันนิ่งนั้นเราเรียกว่าสติคือการระลึกรู้ <S 1> <S 1> <S เราต้องมีสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์ที่จะผูกใจไม่ให้ใจคิดไปคิดปรุงแต่งไปตามเรื่องราวต่างๆถ้าอยากจะได้สมาธิอยากจะให้ใจสงบอยากจะได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิ เราต้องมีสติเราเลืกรู้อยู่กับการลมของกรรมฐานเช่นพุโทโธหรือลมหายใจเข้าออหรือการสวดมนต์เป็นต้นอย่านั่งเฉยเฉอย่านั่งแบบใจลอยให้ใจคิดไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าดูใจดูความคิดแล้วจะหยุดความคิดได้ไม่มีวันหยุดได้จะหยุดความคิดได้จะต้องใช้กรรมฐานใช้สติปลูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานเท่นั้น พ, พระพุทธเจ้าพระฤาษีะสงฆ์สาวทั้งหลายาได้ผ่านมาแล้วทุกองค์ไม่มีองค์ไหนที่ไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิกันต้องนั่งสมาธิกันถึงจะมีความสงบถึงจะมีพลังที่จะสามารถไปใช้ปัญญาเพื่อตากิเลตให้หมดสิ้นไปอยากใจได้ต่อไปดังนั้นเวลานั่งสมาธิขอให้เรานั่งด้วยการมีสติระลึกลูกอยู่กับกรรมฐานแบบใดแบบหนึ่ง เราชอบกรรมฐานแบบไหนแล้วเรากรรมฐานแบบนั้นมาใช้ชอบพุโทโธก็ใช้พุโทโธชอบดูลมก็ใช้ดูลมถ้าใจคิดมากยังดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้ก็ใช้สวดมนต์ไปก่อนแต่ถ้าท่านชอบแบบอื่นก็สามารถนามาใช้ได้ถ้าชอบสัมมาอะหังเป็นคำบริกรรมก็ใช้สัมมาอะหังก็ได้ถ้าชอบดู ด, ด, ดูดูลูกแก้วก็เพ่งดูลูกแก้วไปก็ได้แล้วแต่ เราเคยใช้แบบไหนมาแล้วได้ผลก็ใช้ต่อไปได้อันนี้ไม่ได้บังคับกันที่สอนนี้ก็เพียงแต่สอนตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาเคยได้ปฏิบัติมาก็คือใช้คำวิริกรรมพุทโธหรือใช้การดูลมหายใจหรือใช้การสวดมนต์แล้วแต่ความสภาพของจิตใจถ้าจิตใจฟุ้งมากยังคิดมากก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อน<ม>แต่ถ้าไม่ฟุ้งดูลมได้ก็ดูลมไปเลย แต่เวลานั่งก็อย่าไปสนใจกับสิ่งที่จะแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นรูปเป็นอะไรก็ตามอย่าไปสนใจถ้าไปนสนใจเราจะเสียสเราเข้าสมาธิไม่ได้นีต้องมีสติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิตานั้นกรรมฐานก็จะหายไปเนื้อแต่สติสติก็จะรู้อยู่เฉยๆไปสักแต่วารู้ไปแล้วก็จะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่านัตติสันติพลังสุขทังสุข ส, ขสขเอิ่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิคือให้ใจนิ่งสงบให้ว่างให้เย็นให้สบายให้เกิดความสุขอันนี้ขึ้นมาไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นต้องการแท่ความสงบความว่างความเย็นให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ผู้รู้เพียงอย่างเดียวผู้คิดหายไป อยู่กับความว่างไปอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปให้นานที่สุดเท่าที่จะงไงานได้<ม>นี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมานั่งกันต่อไปนี้เป็นระยะเวลาเวลาประมาณยี่สิบเจ็ดนาทีด้วยกันยี่สิบหนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วตอนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่า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 พยายามเหมือนจเจริญสติระหว่างวันให้มากขึ้นเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันเช่นบริกรรมพุทโธตั้งแต่ตื่นไปจนหลับเลยทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นได้นานขึ้นต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวะริวาหาปูราปิริปุเรนติสากลัง เอวเมววะอิโตจินางเปตาณังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสัมิจตุสัพเพปุเลตุสังกาปาจันโทปนาระโสยถาเมลิโชติระโสยถาสัพพิโยวิวัจันตุ สัพพะโรโควินัสสัตมาเตภวตวันตราโยสุขีติภายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุตถะปจายโนจตารโรธมรมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลั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 วันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ240ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติ272ย o u t บ b e อกเร์ว37คลับ h o า s e ศูนย์ิทยุออนไลน์6นัากุติ154รวมทั้งหมด709ท่านค่ะคำถามจากสัมมเนรวัดมกุฏกษัตริย์ ตรา ย, ยารามค่ะคําถามแรกสวรรค์กับนรกเป็นอย่างไรครับสวรรค์คือความสุขนรกคือความทุกข์อยู่ในใจของเราเวลาเราทําบุญเราจะมีความสุขใจถือว่าเราได้ขึ้นสวรรค์เวลาเราทํำบาปแล้วเรามีความทุกข์ใจถือว่าเราได้ลงนรกแล้วข้อที่สองค่ะการหายจากโรคซึมเศร้าต้องทํำยังไงครับ ต้องหยุดคิดหยุดความอยากพยายามไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆแล้วความคิดจะน้อยลงความอยากจะน้อยลงแล้วความซึมเศร้าก็จะน้อยลงตามลําดับต่อไปคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงเช้าทําบุญใส่บาตร ถ้าตายไปต้องไปสุคติใช่ไหมครับแต่กรรมเก่าที่เคยทำมาก็ต้องรับก็ต้องรับผลเหมือนเดิมใช่ไหมขอรับก็เวลาตายไปนี่บาปกรรบุญที่เราทำไว้มันจะมาแย่ดวงวิญญาณไปถ้าบาปที่ทำไว้มีมากกว่าบุญที่ทำไว้บาปก็จะดึงไปรับผลกรรมถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะไปรับก็บุญก็จะดึงไปรับผลบุญคือไปสวรรค์ คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะคนดีมักจะอยู่ไม่ได้หรืออยู่ยากเราควรทําอย่างไรดีครับให้อยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่ hey, จริงหรอคนดีน่ยอยู่อยู่ได้อย่างสบายคนไม่ดีเน่ยอยู่ยากจะตายเร็วกว่าคนที่คนดีขอให้เราเราอยู่กับความดีรักษาความดีไว้ไม่ต้องหวั่นไหวกับใครใครจะทําอะไรมันเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ความดีจะรักษาใจเรารักษา ให้เราาอออยยยยููยย่่่งงสบมีความสุขคําถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายความสุขจากปัญญากับความสุขจากสมาธิด้วยครับก็เหมือนกันความสุขจากสมาธิก็คือจิตนิ่งสงบความอยากต่างๆก็หายไปพอความอยากหายไปความสุขก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเป็นสมาธิก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว ถ้าเป็นปัญญากำจัดความอยากให้หายออกจากใจอย่างถาวรก็จะเป็นความสงบอย่างถาวรทางกานตรงนี้ถ้าเข้าสมาธิจิตก็สงบออกจากสมาธิมาจิตก็ทุกข์ได้แต่ถ้ามีปัญญาคอยกำจัดเหตุที่ทําให้ใจทุกข์คือความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมาอย่างถาวรคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ จะมีวิธีอย่างไรประครองจิตในการภาวนาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ภาวนาจิตสงบเหมือนลงลิฟต์แล้วนิ่งอยู่สักพักจะประครองอย่างไรให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้คะก็ต้องมีสติให้มากขึ้นเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญสติต่อไปแล้วเจริญบ่อยๆเจริญให้มากแล้วจะมีกําลังมากเวลาเข้าสมาธิก็จะเข้าได้นานอยู่ได้งาน คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะอยู่ที่ทํางานมีคนไม่ชอบเราทั้งที่เรายอมทุกอย่างแล้วพูดดีด้วยทุกอย่างยิ้มให้แต่ดูเหมือนทุกอย่างผิดไปหมดควรวางใจอย่างไรครับก็ เ, เฉยๆไปแล้บังคับใจเขาไม่ได้บังคับว่าเขาชอบเราไม่ได้เขาอยากจะเกลียดเราทำไงเขาก็เกลียดเราอยู่ดีก็ปล่อยเขาเกลียดไปทั้นเอง คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะทำอย่างไรถึงจะไม่กลัวตายครับก็ต้องทำใจให้นิ่งให้สงบและเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของชั่วคราวเป็นของยืมเข้ามาวันหนึ่งก็ต้องคืนเข้าไปแค่นั้นเองคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะปลวกขึ้นบ้านถ้าไม่อยากผิดศีลข้อหนึ่งเรามีทางไหนบ้างเจ้าคะ เก็อยยู่ฉคํา <c oughs> คถามจากทาง facebook ค่ะโยมเห็นว่าทุกข์ก็จากเราไปสุขก็จากเราไปไม่มีอะไรที่เทียงแท้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยไม่ใช่แต่ทุกข์อย่างเดียวทุกข์ก็เดียวกกเดียวสุข ก, ก็เดี๋ยวกกเดีย ว, กกยวนี่คือความสุขความทุกข์ของทางโลก จากได้ลาบยศสรัเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นการได้สุขสลับกับการได้ทุกข์แต่ความสุขที่ยั่งยืนถาวรคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้นเป็นของที่อยู่กับเราไปตลอดเร็นความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขังอันนี้ไม่ไม่หายไปพอได้แล้วก็จะอยู่กับเราไปตลอด คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะคนที่เสียชีวิตคือพ้นทุกเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะไม่หรอคนที่เสียชีวิตก็คือร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟใจไม่ได้เสียชีวิตไปกับร่างกายใจยังอยู่ต่อไปค ำ, คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เมื่อออกจากสมาธิด้าจิตรู้ว่ามีความคิดความอยากเกิดขึ้นคุณธรรมที่ทำให้รู้จุดนี้เป็นสติสัมปชัญญะหรือปัญญาหรืออย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันชื่ออะไรหรอกขอให้เอามาใช้หยุดความอยากให้ได้ก็ใช้ได้คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะถ้าทำสมาธิแล้วเกิดอาการเสียว บนหัวกระหม่อมก่อนเข้าพาวงคืออาการอะไรคะต้องทำอย่างไรต่อไปแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วและไม่ค่อยได้เข้าพาวงไม่ต้องสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆถ้าใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานก็อยู่กับลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาในระหว่างที่เราปฏิบัติคำถามจากทาง facebook ค่ะจิตขึ้นก็รู้ จิตเคลื่อนก็รู้ไม่เพง่งไม่แทรกแซงหมายถึงอะไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันการทำอนันตรยากรรมแล้วห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานหมายความว่าอย่างไรคะต้องไปตกนรกก่อนทำบาปหนักที่สุดก็ต้องไปตนนกนรกบาปหนักที่สุดก็มีอยู่ห้าข้อค่าพ่อค่าแม่ค่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดแล้วทำให้หยุดสงเกิดการแตกแยก เช่นพระเทวท่านนี่ทำให้สงแตกย่กทำให้พยายามฆ่าพุทธเจ้าถึงสามครั้งทำให้ข้อเลือดทำได้เพียงแต่ทำให้ข้อเลือดที่พระเท้าตายไปเลยต้องไปตกน้ำลกไม่สามารถไปสวรรค์ไปนิพพานได้จนกว่าจะหมดกรรมถึงกรรมมาเกิดแล้วมาเป็นพระปัจิกรพุทธเจ้าต่อไปคำถามจากทางเฟค่ะ โยมเห็นว่าความคิดหรือนามก็เหมือนขอนไม้ผุผูกที่รอวันหุดร่วงลงสู่พื้นดินไม่มีตัวตนใดๆไม่ควรยึด ต, ติเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมคะก็ถ้ามันไม่ทุกข์ก็ถูกต้องถ้ายังทุกข์อยู่ก็ไม่ถูกต้องคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ อะไรที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องปล่อยไปคือการอยู่กับปัจจุบันหยุดการปรุงแต่งถ้าทำได้ถือว่าผ่านใช่ไหมคะก็ถ้าทำได้ก็ถือว่ามีสติคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะการแยกลูกแยกนามทำได้อย่างไรคะก็ต้องใช้การพิ จ, จารณา พิจารณว่าร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนความคิดรู้สึกนึกคิดนี้เป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าร่างกายนี้เป็นรูปธรรมเพราะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเองแต่รูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่สามารถดูเห็นได้ด้วยตาเปล่าอันนี้ถึงเรียกเป็นนามธรรมา คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเพื่อามมีสติรู้ตัวเห็นความคิดตนเองที่ผุดขึ้นได้บ้างและได้เห็นว่าความคิดนั้นไม่เป็นเราไม่ใช่ของเราเพราะผุดขึ้นมาเองควบคุมไม่ได้จะปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นได้อย่างไรครับใช้สติหยุดมั น, นยอย่าคิดเวลาใช้ร่าสติก็อย่าไปคิดคิดมันก็จะไม่หยุด ต้องอยากคิดให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปมันถึงจะหยุดคิดได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะพยายามมีสติอขอโทษค่ะเวลาผมนั่งสมาธิอยู่กับสมาธิรู้สึกว่าไม่อยากออกจากสมาธิแบบนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมครับพอออกจากสมาธิมามันรู้สึกไม่มีความสุขเลยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสนะครับ พิงกิเลสที่ดีเพราติดสุขสุขที่ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะนั่งสมาธิแล้วเคลิ้มเคลิ ม, ลมหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างคล้ายๆกับคนนอนหลับจะต้องแก้ไขอย่างไรครับต้องบริกรรมพุทโธหรือลุกขึ้นมาเดินชมกลมก่อนจะได้ควาสติหมดกำลังนะ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะจะวางใจอย่างไรกับโลกที่กําลังวุ่นวายครับถือว่าเป็นธรรมดาโลกนี้คือโลกของความวุ่นวายวิธีที่จะเราไม่ต้องวุ่นวายก็เราก็อยากกลับมาเกิดเท่านั้นเองเมื่อเราไม่กลับมาเกิดเราก็ไม่ต้องมาเห็นความวุ่นวายของโลกนี้ถ้าเรามาเกิดเราก็จะต้องเจอเห็นความวุ่นวายอย่างนี้ไปตลอดไม่ว่าจะเป็นพบไหนไม่ว่าจะเป็นสมัยใดปีไหน โลกนี้ก็วุ่นวายตามธรรมชาติของมันเพราะเป็นโลกแห่งความแก่งแย่งชินดีของกิเลสตัณหาความโลกความอยากต่างๆมีใครอยากจะถามไหมมีคำถามทำรองหรือเปล่าไม่มีใครอยากจะถามว่าเข้ามาได้จะช่วยหยิบไม้ให้หน่อย กรรมนมัสการค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตถามคําถามาตอนนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์เรื่องของการปวดนะคะที่บอกว่าปวดก็ปล่อยให้ปวดไปร่างกายมันปวดแต่ใจรู้สึกปวดจะทําอย่างไรให้ใจแยกออกจากร่างกายได้อะค่ะใช้สติใช้สติใช้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความปวดของร่างกายอเดียวมันก็จะลืมแล้วใจก็จะแยกออกจากร่างกายไป ใจก็จะไม่ปวดกับความเจ็บของร่างกายใช้สติแยกออกมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้บริกรรมพุโทโธตลอดเนะลยใช่ตลอดเลยเท่านั้นเองหรือจะใช้ส่วดมนต์ก็ได้ถ้าถ้าเราแล้วแต่เราอยากจะใช้อย่างไงสวดไปใช้คำบริกรรมไปก็ได้จ mm hmm. นกว่าใจจะสงบแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความปวดของร่างกายถ้าถือว่าใจได้แยกออกจากร่างกายนะแล้ว mm hmm. ขอบคุณค่ ะ, ค, ค, ะ ค, คำถามจากทาง Facebook ค่ะขอโทษค่ะคำถามจากทาง y o youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นได้บรรจุค่าราชการค่าราชการครูควรใช้หลักธรรมให้มีกำลังใจสู้ในการสอบให้ได้ควรใช้หลักธรรมไหนให้มีกำลังสู้ในการสอบให้ได้ครับ ก็ใช้ความขยันตัณฑ์ดูหนังสือ น, นั่นแหละขยันดูหนังสือมากๆเดี๋ยวมันก็สอบได้ค่ะคำถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะรู้อยู่ที่รู้อย่าไปอยู่ในสิ่งที่ถูกรู้คืออะไรครับไม่รู้ชอบถามคำถามแบบปริศนาที่เราตอบไม่เป็นสอบถาม คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะสอบถามพระอาจารย์ครับให้ขอพระอาจารย์แนะนำหนังสือที่พระอาจารย์เคยอ่านหน่อยครับโอ้ยต้องเยอะแยะจแนะนำยังไงคุณไปค้นหาในพระตไตรปิฎกดูคำสอนของพุทเจ้าแล้วก็เลือกอ่านเอาเพราะมันมีต้องเยอะแยะแต่เราคนก็อ่าน จ, จะชอบไม่เหมือนกัน คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะสมาธิสมาถะภาวนาต้องฝึกให้มั่นคงก่อนถึงจะไปต่อวิปัสสนาภาวนาใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิใจจะไม่มีกำลังสู้กับกิเลส้ามีสมาธิแล้วใจจะมีกำลังพอเห็นว่ากิเลสเป็นตัวทำให้ทุกข์ก็สามารถหยุดมันได้เลยเหมนะด้วแหละ มันเราจะได้เปิดทางมาีคำถามที่ข้ามไปนะค่ะมีทางบ้านอยากให้ถามค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะมีผู้ถามว่ารักพระต้องทำอย่างไรคะก็ะถ า, ถามหาดูจะได้ฉันยั ง, ยงไงมาถามนี่ไมคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ปัจจุบันนี้โยมตั้งสติอยู่ที่ร่างกายคือธาตุดินน้ำลมไฟเห็นตัวเองก็เป็นแค่ธาตุสี่คนอื่นก็ธาตุสี่ทำให้ใจสบายขึ้นเจ้าค่ะถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะออถ้าใจสบายขึ้นก็ถูกต้องคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเราสามารถสมาทานศีลเองได้ไหมครับหรือต้องขอรับจากพระครับ อ, อสมาทานเองได้ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะวันที่สิบสองสิบสามและสิบสี่พระอาจารย์ให้ถ่ายทอดสดการทำเทศนารมช่วงบ่ายสองใช่ไหมครับวันไหนเป็นวันหยุดก็มีการถ่ายทอดสดช่วงนี้ก็ไปถึงวันที่สิบกเลยนะถึงวันที่สิบหกเลยสิบสา5สิบสี่ห้าแล้วสิบหกก็เป็นวันพระต่ออีกวันนก็ได้ทั้งอาทิตย์เลยตั้งแต่วันเมื่อวานนี้มาวันศุกร์สาวอาทิตย์ เดี๋ยวพวกนี้การทิศจันทรการพูดก็หันก็เทศไปเรื่อยๆคยไปเรื่อยๆนอนไ ด, ด้ยังอีกคำถามหนึ่งเออมีอีกถามได้ลองถามได้นะค ะ, ะจากเฟ c บุ๊กค่ะคำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะอ่อนะทำไม ทำควรถามว่าถามไม่ควรถามก็ไม่ถามคุณพิจนาวใช่ค่ะคำถามจากทางเฟซ b ุ๊กค่ะ <C AD> ความคิดนึกอารมณ์อาการรู้ใช่ตัวเราไหมเจ้าคะ <C AD> ไม่ใช่หรือมันก็เป็นอารมณ์เป็นความนึกคิดเอง <C AD> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะกิเลสเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้ใช่ไหมคะ ควบคุมอะไรควบคุมกิเลสกิเลสค่ะก็ต้องมีธรรมะมีสติมีปรรัญญาถึงนั้นที่จะควบคุมกิเลสได้คําถามจากทาง facebook ค่ะฟังเพลงเกิดสมาธิได้ไหมคะไม่ได้หรอกถ้าได้นั่งร้องเพลงนั่ฟังเพลงก็มีสมาธิกันทุกคนนะคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ อยากขอรับแฟลชไดฟ์เสียงธรรมของพระอาจารย์และหนังสือธรรมะสามารถขอรับได้ที่ไหนครับเอามาที่นี่อย่างเดียวไม่มีไม่มีการไม่มีแกร็บรับส่งให้ยังไม่มีหมดแล้วนะถแล้ว ท, นะท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ